คือของที่ทายกถวายเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่งคำว่าที่เขาบริจาคแก่ภิกษุณีจำนวนมากคือที่เขาบริจาคเพื่อประโยชน์แก่คณะไม่ใช่แก่สงฆ์ไม่ใช่แก่แกบุคคลคำว่าที่ขอมาเองคือขอมาแล้วเองคำว่าให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นความว่าให้แลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างอื่นนอกจากที่เขาถวายเฉาะจงไว้ต้องเอาบัตรทุกกฎในขณะที่ให้แลกเปลี่ยน ของนั้นเป็นนิสกีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่ภิกษณุณีรูปเดียวภิกษุทั้งหลายภิกษุณีพึงสละของที่เป็นนิสกีอย่างนี้